ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการทมและทัศนาชีวิตนะครับโดยผมครับวสินอิทัศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันเป็นวันศุกร์ครับวันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ เรื่องที่จะคุยกับท่านในวันนี้ก็คือศรัทธากับปัญญาศรัทธากับปัญญานะครับ mm hmm. พุทธศาสนาแบบที่ชาวบ้านยึดถือไว้ด้วยศร mm ัทธาก็ได้อย่างรากลึ่ ในสังคมไทยมานานเกือบพันปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ได้เขยา่าศรัทธาของมหาชนอย่างแรงคนที่เคยศรัท ธ, ธาต่อพระสงค์อย่างหนักแน่นที่เป็นศรัท ธ, ธาเฉพาะบุคคลก็ได้หยุดคิดแล้วก็ลังเล ผู้ที่มีปัญญาและศรัทธาในคุณของพระสงค์เพื่อการไถยบาเข้าหาตนไม่หยุดติดในตัวบุคคลแต่ฝ่ายเดียวนั้นได้มองเห็นโทษของการแขวนศรัทธาไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ททีที่จะใช้ชีวิตแบบใหม่อย่างเรียบง่ายอย่างชาวพุทธที่ดีได้มองเห็นคุณลักษณะพิเศษของพุทธศาสนามากขึ้นในข้อที่สอนให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจะได้ทำงานอย่างสูงสุดและอย่างที่ ไปพูดอยู่เส ม, มอที่เรียกว่าเพลนลิฟวิ่งไฮดูอิคือว่าอยู่อย่างธรรมดาแต่ว่ามีการกระทาอย่างสูงแม่คนส่วนมากจะดำเนินชีวิตสวนกันหรือว่าพยายามที่จะอยู่อย่างสูงและก็ทำอย่างต่ำซึ่งไม่ตรงตามหลัก ของพุทธศาสนาก็ตับผมได้เคยพูดไปหลายครั้งหลายคนหลายแหง่งว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องสะเทือนศรัทธาของประชาชนต่อพระสงฆ์อย่างมากแต่ ถ้าเรื่องนี้ทำให้ชาวพุทธของเราบางส่วนมีหูตาสว่างขึ้นบางก็คงเพราะว่าการสูญเสียศรัท ธ, ธาไปแต่ได้ปัญญามานั่นเป็นสิ่งควรแลกเพราะว่ามีคุณค่ากว่ากันมากเลยทีเดียวคือปัญญามันมีค่ามากกว่าศรัท ธ, ธาชาวพุทธเจา ส่วนมากนะครับติดอยู่ในพระสงฆ์ที่ทำตัวคลั้งและศั์สนหลงใหลคลั่งคลายจนไม่เห็นพระธรรมแตพระสงฆ์ซึ่งเป็นสมมติสงฆ์ที่พวกเขาพากันติดใจหลงใหลคลั่งคลายนั่นแหละมาบังไม่เห็นพระธรรม เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดกระสงเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงเคารพพระธรรมแต่ชาวพุทธบางพวกติดใจหลงไหลในครูบาอาจารย์เกินไป ลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ลืมนึกถึงพระธรรมอันนี้ก็บางทีก็ลืมนึกไปเหมัอนกันว่าพระพุทธรูปที่ที่คนเขานิยมนับถือกันอยู่กลับไหว้สักการะกันอยู่บางทีก็มาฟังพระพุทธเจ้าและบางพระธรรม หรือว่าถ้าเพื่อเคารพนับถือพระพุทธรูปอในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลอะไรต่ออะไรให้เขาได้แล้วก็เราก็จะพระพุทธรูปที่เขานับถือแบบนั้นก็จะมาฟังพระธรรมแล้วก็ปังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าองค์จรงิงพระสงฆ์ <c oughs> ก็จะปังพระพุทธเจ้าด้วย พระสงฆ์ที่เขาศรัท ธ, ธาเริ่มใสแต่พระสงฆ์นั้นไม่ตั้งอยู่ในสังฆกุณนั่นแหละก็จะปังแม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปังแม่เห็นพระธรรมสิ่งที่ชาวพุทธควรจะเข้าถึงที่สุดก็คือพระธรรมแต่ก็ถูกละเลยเสียเพราะถ้าคนจะเข้าหาศาสนาก็ต้องเข้าหาพระธรรมก่อน ก่อนนี้จะจะเข้าหาสิ่งอื่นได้ให้หนักแน่นในพระธรรมให้รู้จักพระธรรมให้เข้าใจพระธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาพุทธก็ยังเคารพพระธรรมมีพระพุทธพจน์มีพระพุทธภาสิตทิตรัดไว้เสมอว่าเราแต่าคนก็เคารพพระธรรมหาดูได้มากมายและบางที พระมีพระกําลังสแสดงธรรมอยู่แล้วก็เสด็จผ่านไปผ่านไปที่พระแสดงธรรมอยู่ก็หยุดยืนหยุดยืนฟังฟังจนพระแสดงธรรมจบแล้วก็ยาวด้วยไม่ใช่สั้นๆอั น, นอยาวหลายชั่วโมงพระเทศจบแล้วพระทรงเทศจบแล้วสแสดงธรรมจบแล้วงสเสด็จเข้าไป สเสด็จเข้าไปบอกว่าเธอเทศดีทางเทศถูกต้องเธอแสดงธรรมดีแสดงธรรมถูกต้องอย่างนี้<ม>เรีเาเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพพระธรร ม, มทีนี้ถ้าเพื่อพระพุทธเราได้ให้เกียรติแก่พระธรรมเคารพพระธรรมถ้าไว้ก่อนก็จะก็จะเห็นธรรมเข้าถึงธรรมเข้าใจธรรม แล้วก็จะเข้าใจพระสงฆ์ด้วยว่าพระสงฆ์อย่างไรเป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์อย่างไรเป็นพระสงฆ์เทียมที่บังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บังไม่ให้เห็นพระธรรมจะว่าชาวพุทธเราส่วนมากก็ติดในพระสงฆ์ที่ทําตัวครั้งแล้วก็ศักศิ์ลงไหล่ลั่งไคล่จนไม่เห็นพระธรรม กับพระสงฆ์ที่เป็นสมมติสงฆ์พวกเขาก็ติดใจลงไหลคลั้งไคล่นั่นแหละมาบาังไม่ให้เห็นพระธรรมก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นที่น่าเสียดายกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะก็เป็นเรื่องสะเทือนศรัทธาประชาชนต่อพระสงฆ์อย่างมาก แต่ถ้าเรื่องนี้ทำให้ชาวพุทธมีอุตสาสว่างขึ้นก็คุ้ม่างที่ผมพุทธแล้วนะครับปัญญามันมีคุณค่ามากกว่าศรัท ธ, ธาเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาแตงพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพเบธธรร ม, มาปัญุตรราธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นสิ่งยอดเยิ่หรือยิ่งยวด ว่ ป, ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาชาวพุทธในเมืองไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนานับถือพระสงค์ด้วยศรัทธาแต่ไม่ค่อยใช้ปัญญาจึงนักถูกหลอกให้เชื่อให้งมงายและให้ฝังตัวลงไปในสิ่งที่ไม่ควรเชื่ออยู่เสมอ แพราะพวกเขาเสียเงินเสียทองเสียเวลาในการบำรุงศาสนาในการบำรุงพระสงฆ์ไปมากเหลือเกิน <c oughs> แต่ความทุกข์ใจของพวกเขาไม่ได้ลดลงเพราะว่าขาดปัญญาอุตาไม่สว่าการที่จะนับถือศาสนาให้ได้ผลคุ้มค่านั้นต้องนับถือด้วยปัญญา ต้องนับถือด้วยปัญญาให้ปัญญานำหน้าศรัท ธ, ธาตามหลังแร่ว่าศรัท ธ, ธาไม่ต้องมีก็ยังได้เลยเรียกว่าเอาปัญญามาแทนที่ให้หมดมีแต่ปัญญาไม่มีศรัท ธ, ธาก็ยังได้นับถือศาสนาอย่างขั้งศาสนาคนนับถือศาสนาอย่างขั้งศาสนา นับถืออาจารย์โดยยากลั่งอาจารย์นับถือศาสนาอยากลั่งศาสนานับถืออาจารย์อยากลั่งอาจารย์อถ้าคลั่งก็เป็นโมฮาเป็นอาวิชชาเกิดพ้นเสียอย่างแน่นอนมันเป็นการกลั่งศาสนามันเป็นแฟนเนติกหาแฟนเนติกเจอนเนติกซีซึ่มมีความเชื่ออย่างแรง เชื่ออย่างหลงไห่ไม่มีเหตุผลมันเป็นอันดีสันเดโปรอันดีสันเดโปรบิลิฟเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแฟนเทติกซิซมมันเป็นความ ศรัทธาอย่างแรงกล้าที่ไรเหตุผล้ราเอาใจจดใจเจาะต้องการอย่างร้อนรอนกระวนกวายแล้วลองถามดูก็ได้ครับลองถามดูคนที่เคยเข้าสํานักปฏิบัติธรรมไปสำนักสมถาวิปัสสนาลองถามดูก็ได้แล้วเขาจะมีความต้องการอย่างร้อนรอน เพื่อรู้เพื่อจะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าจะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องเห็นอแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าใจไม่สงบใจไม่สงบอจะให้รู้ให้เห็นมันต้องรู้เห็นเองต้องใจสงบอาจารย์ที่ปรวิษาท่านสอนว่าสมาฮิโต โดยสมาหิตตั้งจิตตังบุคคลผู้มีจิตที่ตั้งมัน่นสมาหิตโตบุคคลผู้มีจิตตั้งมัน่นรยะท้าผู้ตังประชานทาีิเจะรู้ตามที่เป็นจริงเาตั้งมั่นมันต้องตั้งมั่นในธรรมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นในธรรมมีคนเขาบอกว่า ไปนั่งสมาธิเพื่อจะได้เห็นนั่นเห็นนี่ไปนั่งธรรมะหรือไปนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อหเห็นนั่นเห็นนี่ผมบอกว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมเราต้องให้เห็นธรรมสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือควรจะต้องเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอะไรอย่างอื่นอย่างนั้นแต่บางคนก็กำลังสับสน กำลังสับสนไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรมีคนแนะนำให้ไปนั่งวิปัสสนาให้ไปนั่งวิปัสสนาเพื่อจะดูตัวตนให้เห็นชัดเพื่อจะได้ดูตัวเองให้เห็นชัดแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกว่าไปนั่งวิปัสสนาเพื่อจะได้เห็นอนัตตาเพื่อจะได้เห็นความไม่มีตัวตน ถ้าทำไมจะไปนั่งให้เห็นตัวมันต้องนั่งให้เห็นความไม่มีตัวตนมันถึงจะถูกต้องไปทำในศาสนาได้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรต่างๆเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องสะสางกันเป็นการใหญ่มันต้องทำความเข้าใจกันเป็นการใหญ่ ม, มากมายเหลือเกินทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เดินตามแนวธรรม ท่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ไม่กลับไปหาอาจารย์ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรมัวไปงมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> การการปฏิบัติทำก็ทำได้อย่างง่ายๆคือทำตนให้ดี ให้อยู่ในสุจริตทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ปรใช้ยชีวิตอย่างเรียบง่ายาก็เท่านั้นไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายอะไรเลยไม่ต้องติดรูปแบบแต่พยายามแสวงาหาเนื้อหาที่แท้จริงหาสาระที่แท้จริงของเรื่องนั้นหรือว่า ถือเอาการทํางานให้ถูกต้องเป็นการปฏิบัติธรรมก็ก็ง่ายอก็ง่ายการปฏิบัติธรรมทาได้ง่ายๆค <c oughs> ื อ, อทําตัวให้ดีแล้วก็ถื่เอาการทํางานให้ถูกต้องเป็นั้นปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีรูปแบบอะไรให้มันลําบากลําบนอะไรทักหนาหรอกครับ พระเจ้ตนัยใจก็เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาประกอบด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่ท่านจัดเข้าเป็นองค์หนึ่งของพระรัตนัดใจก็หมายถึงพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปขอให้พิจารณาดูพระสังฆ ค, คุณเก้านะครับ ที่เราสวดกันอยู่ทุกเจ้าจิตเราก็จะเห็นก็จะเห็นว่าท่านระบุถึงบุคคลสี่คู่แปดจำพวกจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสบุคละเอสสะพระกวัตโตสาวกสังโฆนี่ว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นก็เป็นเพียงสมมติสง่งเป็นสัญญาณละ เป็นรูปแบบแผงพระสงฆ์เป็นผู้สมัครใจเข้ามาอยู่ในร่มกาศาทวพัดโดยตั้งใจว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติทุกปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ <c oughs> เพื่อพ้นจากพันธนาการนั่นคือปฏิ ญ, ญาที่ให้ไว้กับสังคมุขแต่ให้ไว้กับประชาชน โดยแสดงเพศเป็นนักบวชมีความเป็นอยู่ต่างกับคาริย์ัตแต่ในภาคปฏิบัติก็<อ>ทำได้บา้างทำไม่ได้บ้างตามวิสัยของผู้ที่ยังเป็นผู้ถุอนยังมีกิเลสยังมีโลกโดดลงอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังต้องการโลกกันทำ ส่วนที่น่าปรารถนาคือลาภยศเป็นเสนสุขแล้วก็อยากจะปฏิเสธโลกระทั่งส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศเอ็นทาทุกแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเผื่อผู้ที่อยู่ในเพศของบรนปชิตก็ต้องตั้งใจเพื่อตั้งใจในการที่จะประพฤพติพรหมจัก เพื่อความซ้ำรวมเราฝังเพื่อการละกิเลส ท, ที่ควรละเพื่อความคลายความยึดมั่นถือมัน่นหรือเพื่อความดับดับทุกข์ดับกิเลสตลอดเวลาที่ยังเป็นเพศอันประชิดอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้จัดพระพุทธพจน์เตือนเอาไว้มีข้อวามอย่างนี้นะครับเป็นพระพุทธพจน์ใน อังคุตานิกายจะตกกันนิกบาดยพระเดพิโตเลมที่สิบเศอใจความสำคัญอานนี้นะครับป <c oughs> <c oughs> ิกสุทั้งหลายพรมจันพระมจันนีเราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนเพื่อให้คนบนเพอร์ต เพื่ออานิสงคือลาบสักการะในชื่อเสียงเพื่อเป็นเจ้าลทัทธิคือแกล่ลัทธิเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้จักเราแต่ที่แท้พรมจันย์นี่เราประพฤติเพื่อความสำรวมเระหวา่างเพื่อการละกิเลสเพื่อคลายกิเลสแล้วก็เพื่อดับกิเลสก็ลองนึกดูนะครับว่า อันนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่จัดสอนเอาไปซึ่งจัดกับภิกษุทั้งหลายว่าพรหมจรรย์ น, นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อให้คนบนเพิ่ถึงหรือว่าเพื่ออานิสงค์คือลาภสกายละเลยชื่อเสียงหรือว่าเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิหรือว่าเพื่อให้คนทั้งหลายรู้จักเรา แต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อความสํารวมเราว่างเพื่อปะหานะ้คือการละเพื่อบิลาคะคือการคลายและเพื่อนิโรธคือการดับกี่เล็งคราวนี้ลองนึกดูว่าทิกสุทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ปฏิบัติอย่างไรเพื่ออย่างไรเพื่อรับส ก, กายระหรือว่าเพื่อ สำรวมเราวังหรือเพื่อละกิเลสเพื่อคลายกิเลสเพื่อดับกิเลสเพื่อความเป็นผู้มักน้อยสันโดษหรือเพื่อความเป็นผู้มักมากอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรเราวังเพราะว่ามันมีเรื่อง ม, มีเรื่องราวเกิดขึ้นมันเตือนขวัญประชาชนเตือนขวัญประชาชนทําให้ประชาชนที่ไม่รู้จักธรรมะือ <c oughs> แต่ว่าเข้าหาศาสนาทางประสงฆ์ ร, รู้สึกว่าเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปแต่ชาวพุทธผู้เป็นขรัสจึงได้เห็นได้ยินได้ฟังการประพฤติที่ไม่ดีไม่งามของพระสงฆ์หนูเนืองๆเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆบ้างเป็นข่าวใหญ่บ้างเกิดวิกฤตศรัทธา เกิดคิดวังในจริยาของพระสงฆ์อยู่บ่อยๆทางนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธได้ตั้งพระสงฆ์ไว้ในที่สุงคอรบนอก อ, อย่างพิเศษแล้วก็มีทัศนคติว่าเป็นผู้สละแล้วฉะนั้นจึงทาเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อไม่ให้เกิดวิกิสัทธาในพระสงฆ์ชาวพุทธ ใครใครหัจะต้องสร้างแนวคิดใหม่คือคิดสม่ให้ตรงตามความเป็นจริงคือคิดว่าพระภิษุทธามณเณรก็คือผู้ที่เข้ามาบวรด้เพื่อตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจจะทำความดีและเป็นผู้ที่ฝึกฝนเพื่อจะเป็นคนดีแต่บางทีเข้าไปไม่รอดหรือไปไม่ไหว แล้วก็ทำความผิดทำความเสียหายอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีสมบูรณ์แล้วอย่างที่คนส่วนมากคิดเคงแต่มาฝึกฝนเพื่อจะเป็นคนดีไม่ใช่ดีสมบูรณ์แล้วอย่างที่คนส่วนมากคิดล้ะเองก็อยากให้ชาวบ้านคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อท่านจะได้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดา แต่เมื่อชาวบ้านไปยกมากเกินไปไปเคารพนอบนอบมากเกินไปไปให้เกียรติมากเกินไปไปถวายลาบสักการะอะไรมากเกินไปพระก็เลยเป็นได้อีกแบบหนึง่งแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่คุณคุณทั้งหลายต้องการไม่เป็นอย่างที่ใครหรือฮัทหรือว่าผู้ที่บำรุงต้องการจะเป็นได้อีกแบบหนึง่ง ท่านผู้ฟังที่เคารพกับเรื่องนี้อย่างไม่จบครุง น, นี้ยังต้องคุยกันอีก เ, อเรื่องปัญญากับศรัทธาสำหรับวันนี้เวลาหมดรับกอต้องขอยุดดีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึ่มีแด่ท่านผู้ประทำรายการแต่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนชีวิตนะครับ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินิทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันพระัา ส, ส ป, ปติที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเรื่องที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในตอนนี้เริ่มเมื่อวานนี้นะครับ ก็คือเรื่องศรัทธากับปัญญาเมื่อวานนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรตัวได้ใจความ <c oughs> ว่าปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเ อ, เอามาแทนที่ศรัทธาได้ตัวอยู่ไปอยู่ไปถ้าปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาจะลดลงก็ไม่เป็นไร เพราะว่าอย่างพระอริยสาวกชั้นพระอราหารันท่านก็ได้นามว่าอัศตูเขาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาแต่ว่าเป็นปัญญาปาริปุรีอคือเป็นผู้มีปัญญาบริปุนท่านสังเกตให้ดีนะครับว่าพระรยาบุคคลชั้นพระอราหารันนั้นเป็นอัศตูอัศโตโเแปละว่าผู้ไม่มีศรัทธา เราไม่ต้องเชื่อเราไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระสัสดาถาแม้เพียงพระโสะดาบันนะครับแม้เพียงพระโสะดาบันก็ได้นามว่าอปารปัจจัยยสัตตุศาสนาเราไม่ต้องมีผู้เป็นเป็นปัจจัยในคําสอนของพระสัสดาแต่ว่าแม้พระโสะดาบันจะยังไม่มีปัญญาบริูรณ์ แต่ว่าปัญญานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ศรัท ธ, ธาถ้าพอเป็นพอเป็นบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระรอรหันต์เขาไม่จำเป็นต้องมีศรัท ธ, ธาก็ได้ทีนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังจะสงสัยจะถามว่าถ้าอย่างนั้นหมวดธรรมต่างๆที่ท่านมีศรัทธาไว้มีไว้ทาไม มีศรัทธาเช่นพระละห์ก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาแล้วก็จบลงด้วยปัญญาเริ่มต้นด้วยศรัทธาก็จบลงด้วยปัญญาก็เรียนแล้วสักกี่ว่ามันต้องมีศรัทธาแต่ว่าเมื่อไปทําไปทําไปอยู่ไปอยู่ไปปัญญาจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ศรัทธาทีละน้อยจนปัญญาบริปูรณ์พอเป็นปัญญาบริปูรี มีปัญญาบริบูรณ์แล้วศรัท ธ, ธาไม่ต้องมีก็ได้ถือว่าทำอะไรไปด้วยเหตุผลล้วนล้วนทำอะไรไปด้วยเหตุผลล้วนล้วนไม่ต้องอาศัยความเชื่อเป็นปัจจัยก็ได้ผมยังคงต้องคงต้องคุยกับท่านอีกหลายครั้งกับไม่เป็นไรค่อยๆขยายความไป แต่อะไรที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องสํารวมก็ต้องสํารวมที่จะต้องระวังก็ต้องระวังอันนี่ก็เป็นอีกแผนกหนึ่งต่างหากชาวบ้านบางพวกยกย่องพระจะจนเลิอดลอยเกินจริงเป็นเหตให้พระบางรูปหลงตัวเองเพียงแต่วบวชเข้ามาวันสองวันแล้วก็ได้รับความยกย่องนับถือเสจนทําให้พระหลงตัวเอง ยังไปในทางที่จะโอ้อวดอุตริมนุสสธรรมคือทำทำมันยิ่งของมนุษย์เช่นชาญวิโมกสมาธิสมาบัตมรพลหรือว่าโดยที่สุดพูดว่าอาตา ม, มาชอบอยู่ในที่ส ง, งัดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันดามโสสุญญาคาเรอภิรามามีติ โดยที่สุดแม้จะพูดว่าข้าพเจ้าชอบอยู่ในที่สงงัดอย่างนี้ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมมันันจะต้องระวังกันเหลือเกินถ้าเพื่อว่าจะให้อยู่อย่างสงบสงเแลรวมัดรกวังไม่ใช่โอ้อวดหรือว่า มีคุณธรรมอะไรเพียงเล็กน้อยก็โอ้อหดเพื่อให้เขารู้กลัวเขาจะไม่รู้หรือว่าพูดอ้อมค้อมเพอให้เขาตีความรู้ได้ว่าตนได้บรรลุธรรมแล้วถึงความเป็นผู้วิเศษแล้วึพื่็ต้องการจะเรียกร้องศรัทธาจากประชาชนมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการบวดหรือการประพฤติธรรมจันทร์อย่างที่ผมได้นาพระพุทธพจน์มา พูดแล้วเวมื่อวานนี้ <c oughs> ซึ่งการ <c oughs> ซึ่งการพูดอ้อมคอมให้เขาตีความว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมวิเศษเป็นผู้วิเศษนี่เขาเป็นการบินเมต่ออวัตตปราชิกโอทุตเทริมนสธรรมโอทันเป็นอวัตปราชิกทําให้ขาดจากความเป็นภิกษุโดยไม่รู้ตัวหรือว่า <c oughs> หรือว่าจงใจเจตนาเพื่อจะเรียกร้องเรียกเรียกราบสการะอะไรชื่อเสียงแต่ไม่เป็นผลดีแก่ใครชาวบ้านบางคนก็ทำไปด้วยความสุจริตใจด้วยศรัทธาแต่รู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ถึงว่าผลเสียจะเกิดขึ้นอย่างไร เหมือนพ่อแม่บางคนที่ถนอมลูกแลวตามใจลูกทุกอย่างตามให้ทุกอย่างจนลูกเหลืองแล้วก็เกียรติครานซ้ำในนามซ้ำไม่รู้ไม่รู้ค่าของความมีน้ำใจหรือความเสียสละของพ่อแม่แล้วก็ดูถูกพ่อแม่อยู่ในใจ เหมือนกันนักบวชบางพวกที่ถูกพนอถูกมันอวถูกพนอจน เ, ออเลิงแล้วก็นึกดูถูกรูมิ่แชาวบ้านอยู่ในใจ <c oughs> เพราะเหตุที่เพราะเหตุที่ยกย่องกันเกินไปนั่นเอง บางทีก็บำรงบำเรอระด้วยปัจจัยสี่มากเกินไปส่วนฟุงเฟอือเหลือเฟอือฟมเฟยมีความเป็นอยู่อย่างอักรฐานอย่างคฤหัสผู้มั่งคั่งความเป็นนักบวชของผู้นั้นดูเลื่อนล่างเต็มที่ท่านอาจารย์พุทธชาติปิคุ <c oughs> ได้ เขียนไว้ในเรื่องตามรอยพระอัลัอฉบับพิมพ์เมื่อปออี2529หน้า139ใจความอย่างนี้นะครับเรา <c oughs> เราลองมาเฟ้นความจริงข้อนี้กันดูสมมติว่ามีคนที่เราเรียกกันว่านักบวชคนหนึ่งอยู่ตึกใหญ่โตกว้างขวาง มีเครื่องประดับห้องราคาเป็นพันพันหมื่นมื่นราคาของของเงินเมื่อพศสองพันสร้อเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งเป็นปีที่ท่านเขียนหนังสือนี้ของเธอตามรอยพระอารารถ้ามีสิทธิ์ด้วยคนรับใช้รนิปัดเอาใจใส่ประทับประคองโดยการกินอยู่อย่างดีเลิศเพราะับบวชผู้นั้นฉุนเฉียวใจเร็วมาก การงานของเขาก็รรบโลกจัดเกินไปคือมุ่งรรทาแต่ที่มหาชนนิยมหรือโลกเขานิยมหรือที่ผู้มีอำนาจเหนือตนต้องการที่นี่มีชาวนายคนหนึ่งคร <c oughs> าวนี้มีชาวนายคนหนึ่งในจำพวกคน ค่า้าหารและค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งครอบครัวเดือนหนึ่งหนึ่งยังไม่เท่าค่าโคมไฟและนามชายของนักปวดรูปที่ว่ามันแล้วเพียงวันเดียว เ, เขามีความเป็นอยู่ตามประสาชาวนาใจคอสงบเยือกเย็นอดทนสันโดษมัธยัติคมใจตนเองไว้ในอำนาจได้ไม่ฉุนเฉียว แล้วก็ทำบุญให้ทานไปจำประสาทจนซึ่งบางทีก็เสื่อจานเข้ามาถึงนักบวชรูปที่ว่าเล้่นี้ด้วยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราตัดสินว่าใครควรจะถูกเรียกว่านักบวชจึงจะยุติธรรมเราก็ตอบยากเต็มที <c oughs> ไม่ใช่หรือ นอกจากเราจะตอบไปตามประเพณีเท่านั้นอันนี้เป็นใจความตอนหนึ่งในหนังสือเรื่องตามรอยพระอราันของท่านอาจารย์พุทธทาที่พูดถึงนักบวชผู้ที่เป็นนักบวชโดยรูปแบบกับผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างนักบวชแต่ว่าไม่ได้เป็นนักบวชโดยรูปแบบแต่มีความเป็นอยู่อย่างนักบวช การที่ <c oughs> การที่เรายกย่องอนักบวชหรือพระภิกษุกันบางรูปลังจำพวกเราบำรุงบำเรอมากเกินไป อ, อันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าการอบรมสั่งสอนของสังคมไทยที่ปลูกฝังสั่งสอนให้เคารพพระ โดยไม่เลือกพระขอรพกาสาวพัดโดยไม่คำหนึงถึงผู้ที่อยู่ในกาสาวพัดหรือผู้ที่นุ่งห่มกาสาวพัด <c oughs> ว่ามีคุณสมบัติควรแก่การนุ่งห่มกาสาวพัดหรือไม่ก็เป็นการเปิดโอกาส ผู้ที่ไม่สมควรนุ่งห่มกาสาวพัดเข้ามาศัยกาสาวพัดแล้วก็สั่งสอนอาสัตร ธ, ร ร, ร, ธ ร, ร, ร, ตรรมหรือทำปลอมอาสัตธรรมหรอมือทำปลอมก็ทำหมากินใต้ร่มเงาของกาสาวพัดอย่างสะดวกอย่างสะดวกสบายถึงกับร่ํารวยเป็นมาหาเศรษฐี ก็พอหาได้อยู่แล้วพอมีอยู่ <c oughs> แล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างเศรษฐีในเพศมณะนั่นเองอย่างนี้จะอย่างนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรรมีพระพุทธพจน์อยู่ตอนหนึ่งใจความใจความสำคัญว่าผู้ที่ ไม่สมควรจะนุ่งหมผ้ากาสาวพัพพัทผู้ใดผู้ใดยังมีกิเลสมากเป็นประดุดน้ำความคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นรอบประเสรจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นก็ไม่ควรนุ่งอมผ้ากาสาวพพัทในส่วนผู้ใดกายกิเลส ทั้งน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในสิ่ทั้งหลายาประกอบด้วยธรรมและสัจจะผู้นั้นก็ควรผมภผ้ากาสาวพัด อ, อันนี้ก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ า, าที่รรบเรื่องพระเทวทัตที่ปลอมตัวไปเป็นพระปฏจเยกพุทธเจ้าแล้วก็ไป พร้อมตัวเอาเครื่องแบบของพระประัจเจกพุทธเจ้าอเป็นพรานเป็นพรานป่าพร้อมตัวเป็นอพระประัจเจกพุทธเจ้าไปฆ่าช้างเสียเป็นจํานวนมากแล้วในที่สุดก็ถูกจับได้ยันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงว่าเป็นผู้ไม่สมควรแก่กาสาวพัท เพราะว่าไม่มีคุณธรรมของผู้ที่จะนุ่งห่มภ้ากาศสาวพัดไม่มี <c oughs> ไม่มีธรรมะธรรมะก็คือการคมอินซีการฝึกตนไม่มีการฝึกตนไม่มีสัจจะอย่างนี้ก็แล้วก็ไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในสีธรรมอันดี <c oughs> อันนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆ ค, คุยกันไปในเรื่องศรัทธาในตัวบุคคลกับเรื่องการศรัทธาในศาสนาตลอวความหมายที่แท้จริงของการบวชอยู่ที่การขัดเกลวขัดเกลวปณิสัยขัดเกลวจิตใจขัดเกลวตนเองให้เป็นคน ได้รับการขัดเกลว์ที <pay> MM ่ดีปัจจัยสี่และชาวบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมสําคัญในการที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้พระเป็นอยู่อย่างไรคือว่าเป็นอยู่โดยชอบหรือโดยไม่ชอบปัจจัยสี่และชาวบ้านอเป็นสิ่งสําคัญที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้พระเป็นอยู่อย่างไรคือว่าเป็นอยู่โดยชอบหรือไม่ชอบ ชาว บ, บ้านต้องการบุญ <c oughs> คนไข้ในบุญก็จริงแต่ต้องไม่หลงบุญและไม่เมกบุญถ้าบำรุงบำเรอพระจนเกินไปจนพระติดในลาภส ก, การะชื่อเสียงจมไม่ลงถระติดความสุขไม่เป็นอันศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติขัดเกลา แต่บ้านเราจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นกองกําลังบํารุงและเราต้องไม่เลี้ยงพระให้เป็นขุนนางเราต้องไม่เลี้ยงพระให้เป็นขุนนางแต่เราต้องพยายามเลี้ยงพระให้เป็นพระทิตดีของศาสนาเพราะพระเป็นพุทธบริษัทชั้นนำ แดีวถ้าพระเหลวไหลออกนอกลูก่นอกทางเสร็แล้วชาวบ้านโดยมากผู้ที่ไม่ได้ศึกษาศา ส, สนาโดยตรงก็ได้แต่เชื่อพระจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางไปได้อย่างไรก็ขอซ้ําอีกสักทีนะครับพระเป็นบริษัทชั้นนําชาวบ้านก็ยกย่องอย่างนั้นทีนี้ถ้าพระไม่รู้ไม่มีความรู้เหลวไหลออกนอกลูก่นอกทางเส็จแล้ว ชาวบ้านโดยมากผู้ที่ไม่ได้ศึกษาศาสนานโดยตรงได้แต่เชื่อพระจะไม่จะออกนอกลูก่นอกทางได้อย่างไงขอยกตัวอย่างในการเทียมโคไถนานั้นชาวนาเขาต้องเอาโคฝึกไม่ไปเทียมคู่กับโคตัวที่ชํานาญแล้วและไม่เป็นโคโกงจึงจะฝึกได้สําเร็จได้ไถนาได้ต่อไป เพราะว่าโคตัวนำไม่นําออกนอกทางคร อ, อนี้ฉันใดนะครับในการฝึกคน้็ฉันนั้นคือว่าถ้าผู้นําผู้สอนเดินออกนอกทางแต่แล้วผู้ตามซึ่งเป็นผู้ใหม่ยังไม่รู้ทางย่อมจะเดินออกนอกทางด้วยกพรเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางที่ถูกแล้ว ดิ้งผู้นำตั้งตัวเป็นคนคลังเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนรู้อดีตอนาคตเป็นคนสารพัดที่จะโอว ด, ด้วยแล้วผู้ตามซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะทุ่มศรัทธาลงไปหมดตัวโดยไม่ต้องทดสอบอะไรเลยน่าสงสารเพียงไรน่าสงสารเขาเพียงไร ในการบรรยายที่แห่งหนึ่งนะครับผมได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมชาวพุทธไทยเราส่วนมากจึงต้องการกันนักต้องการกันนาเรื่องเหรียญเรื่องวัตถุมงคลซึ่งต้องทำด้วยกันซึ่งต้องทำต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเช่นวัตถุมงคลหรือเหรียญที่ทาด้วยทองคำเป็นต้น ถ้าเขานับถืออะไรกันแน่เขานับถือทองคำหรือนับถือคำสอนทำไมชาวพุทธเราจึงชวนกันหลงไหลในวัตถุในรูปเคารพเครื่องรางของขรังซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาของเราทรงปฏิเสธไม่สนับสนุน <c oughs> เพราะว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความอ่อนแอทางจิตใจผมขอเน้นตรงนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความอ่อนแอทางจิตใจและผลก็คือมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเพราะว่าขัดผลประโยชน์กันแล้วก็ต้องเสียใจในเรื่องเหล่านี้อยู่เนืองเดียวเพระอะไรครับ เพราะว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเพื่อกันค้าเพื่อการหาย ร, รายได้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคจนได้ชื่อว่าเป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วไม่เป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อยเหลือเกินแล้วกำไรมหาศาลการก่อสร้างก็เหมือนกันครับ ทำไมจะทำไมสร้างอะไรกันใหญ่โตสวยงามนัใชายคุ้มกับเงินทองหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนหรือเปล่ามีอะไรที่คืนสู่ประชาชนหรือเปล่ามีหลายอย่างที่เกินกำลังไม่คุ้มไม่สมเป็นชาวพุทธที่อยู่อย่างเรียบง่ายทำไมชอบทำแต่สิ่งที่ต้องลงทุนมากบุญนวายมาก เราก็ต้องรบกวนเรียก อ, อะไรประชาชนไม่หยุดหย่อนไม่มีที่สิ้นสุดเอาวัตถุมงคลภายนอกมาล่อให้ต้องการอวดอภินิหารคุณวิเศษต่างๆของวัตถุนั้นรวมทั้งคุณวิเศษของผู้ทมด้วยซึ่งมินเมตตออุตริมนุสธรรมเต็มที่ทำไมทำไมไม่เผยแผ่มงคลภายใน